โหลสีม่วงกวนใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในนครลอนดอนอันแสนวุ่นวายมีเด็กสาวตัวน้อ ย, นอยคนหนึ่งนามว่าโรสแมร์เธอรักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความน่ารักและไม่เคยใส่ใจในการตัดสินใจอันหุนหันพลันแล่นของเธอวันหนึ่งในขณะที่เธอเออกไปซื้อของกับแม่ของเธอเธอตกตะลึงกับสินค้าน่ารักน่ารักที่วางขายอยู่ในตู้กระจกเออแม่คะเหนือฝันอยากจะซื้อของน่ารักน่ารักพวกนั้นจัง มันคงดีใช่ไหมล่ะคะอืมเจ้ามันคงจะอะไรเนะี่ยเออไม่ลูกจะเอาพวกนะั้นไปทำอะไรกันนะเอ้ไว้หนูค่อยคิดที่หลังก็ได้แม่ของโรสมมนจ่ายหน้าและพวกเธอก็เดินต่อไปพวกเธอเดินมาถึงร้านช่างทําหมวกร้านที่โรสมมนมองเห็นรีบบิ่นยาวแขวนอยู่หมวกสีสันสดใสและดอกไม้ที่ถูกวางอยู่ข้างตู้โชว์ โอ้แม่คะน่ารักใช่ไหมคะแม่น่าจะซื้อพวกมันนะคะเนี่ยงั้นแหละลูกแม่จะเอาพวกมันไปทำอะไรกันล่ะเหนูมั่นใจคะ่ะว่าเราจะหาประโยชน์จากมันได้โรซแม่แม่น่าจะรู้ว่าจะเอาพวกมันไปทำอะไรก่อนที่จะเสียเงินซื้อนะไปกันเถอดจ้าโรซแมน่นบึ้งตึงเมื่อพวกเธอเดินผ่านร้านช่างทาหมวกไป เดินไปเรื่อยๆไม่นานนักก็มาถึงร้านขายเครื่องประดับที่นั่นเองพวกเธอมองด้วยตาเลิกโพล่กับสร้อยคอที่เป่งประกายและจี้ที่ห้อยลงมาแม่คะดูนี่สิพวกมันนะ่ะสวยไหมล่ะคะเจะ้สวยจ้ะลูกหนูชอบหมดนี่เลยเราซื้อมันได้ไหมคะ อ, อแต่เราสมอนจ้าเรามีเครื่องประดับเต็มไปหมดแล้วนะแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเราเนี่ย ไม่ควรจะต้องซื้อเพิ่มอีกแต่แม่คะสีสันมันสวยมากและมันก็ระยิบระยับด้วยเหตุผลยังฟังไม่ขึ้นพอที่จะซื้ออีกเหรอคะลูกคิดแบบนั้นจริงๆเหรอจะ๊ะงั้นแม่คงไม่เห็นด้วยกับลูกแล้วล่ะลูกรักเรานะ่จะไปซื้อของใช้กันนะจะ๊ะแล้วโรสแมอนก็ถูกพาออกจากร้าน และตาแม่ของเธอไปอย่างหงุดหงิดไปยังร้านขายยาที่นั่นเธอเห็นขวดรูปทรงมากมายต่างขนาดกันแถมส่องแสงออราอารามไปหมดแต่ตาของเธอไปจับจ้องอยู่ที่ขวดโหลสีม่วงแม่คะแม่ขวดโหลนั่นน่ารักไหมคะหืมหนูขอซื้อได้ไหมลูกจะเอามันไปทำอะไรจ๊ะเหนืเจอ ใส่ดอกไม้ลงไปในนั้นมันจะต้องดูดีแน่ๆเลยแต่ลูกก็มีโหลใส่ดอกไม้พอแล้วนี่นาไปกันนะจ๊ะไปกันเถอะถึงแม้พวกเธอจะเดินออกมากันแล้วใจของโรส ม, มอนยังผูกติดอยู่กับขวดโหลสีม่วงนั้นแม่คะหนูคิดว่าแม่คงไม่มีเงินแน่ๆเลยแม่มีเงินสิจา๊าลูกรักแต่หนูก็ไม่เข้าใจคะ่ะ ถ้าหนูมีเงินหนูจะซื้อโบโหลต่างๆและจี้ทั้งหมดที่หนูได้เห็นเลยงั้นเหรอจ๊ะแม่น่ะไม่คิดว่าลูกควรซื้ออะไรสักอย่างเลยจ๊ะไม่งั้นเราก็คงจะไม่มีเงินเหลือเลยมแต่คองสวยๆเงายบๆในชีวิตลูกว้าวมันก็ต้องจเจวไปเลยสิคะลูกรู้ไ้ยจ๊ะแม่คิดว่าลูกน่าจะลองดูโหลใบนั้นให้ถี่ถ้วนก่อนลูกอาจไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นก็ได้ เออหนูชอบมันแน่ของสวยๆไม่จะเป็นต้องถูกตรวจด้วยหรอคา่ะไม่เข้าใจไหมเมื่อพวกเธอเดินต่อไปโปรสมอนรู้สึกว่ามีบางอย่างทําเท้าเธอเจ็บโอ้โอ้ว่าแม่คะมีบางอย่างในรองเท้าของหนูนะเธอถอดรองเท้าออกมันเหลือรูขนาดใหญ่ไว้ดูต่างนะโอ้ไม่นะนี่รองเท้าคือประของหนูเป็นแบบนี้ได้ยังไงแกนเนี่ย ทำไมลูกถึงใส่รองเท้าคู่นี้ล่ะจ๊ะก็เพราะมันน่ารักไงล่ะคะ่ะตอนนี้มันคงพังแล้วหนูอยากได้รองเท้าใหม่พวกเธอทั้งสองจึงไปที่ร้านของช่างทำรองเทา้าเรสสมรู้น่าสงสารต้องค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังอย่างน้อยเท้าของเธอก็ไม่ได้โดนของมีคมบาดเข้าในไม่ช้าพวกเธอก็เข้าไปในร้านช่างทำรองเทา้าสวัสดี พวกคุณอยากได้รองเท้าสวยๆให้คู่ไหนกัน ล, ะละ่ะครับโออแค่รองเท้าสำหรับลูกสาวฉันค่ะงั้นก็ง่ายมากเลยลองดูคู่หนึ่งตรงนั้นสิครับมันพอดีกับเธอเป๊ะเลยละ่ะโอ้ขอโทษนะคะอ้อขอตัวเดียวนะครับลูกไม่คิดว่าร้านนี้เนี่ยก็มีของน่ารักขายเหรอจะ๊ะไม่คะ่ะ รองเท้าเนะี่ยธรรมดาแล้วก็จืดชืดมากแถมกลิ่นก็ยังแย่อีกอีอนั่นมันกลิ่นหนังใหม่ตั้งหากจ้าลูกต้องหาดูนะว่าคู่ไหนน่าเหมาะกับลูกมันดเดพอดีกับหนูเลยค่ะลูกมั่นใจไม่ได้หรอกจนกว่าจะได้ลองสวมมันนะเหมือนกับตอนที่ลูกเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าชอบโหลนั่นไหมฉันก่อนลูกจะได้ตรวจดูมัน หนูไม่ต้องมาตรวจดูหรอกคะ่ะหนูรู้ว่าหนูชอบมันน่แม่ซื้อรองเท้าสองคู่นี้และซื้อหลอให้หนูด้วยได้ไหมคะแม่นะไม่มีเงินพอที่จะซื้อทั้งสองอย่างให้ลูกหรอกนะจ๊ะลูกจะต้องเลือกเพียงอย่างเดียวทำไมลูกไม่ตัดสินใจดูเองล่ะถ้าเป็นแบบนั้นลูกก็จะต้องรับผิดชอบการเลือกของลูกด้วยนะแม่จึงปล่อยให้โรซามอน์คุนคิดถึงหล่อและรองเท้าในขณะที่เธอไปคุยกับช่างทารองเทา้า รสม่นมองดูรองเท้าอย่างเหยียดหยันแต่ว่าเธอก็คิดเรื่องโหลสีม่วงไปด้วยจู่ๆเธอก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วเมื่อแม่ของเธอกลับมาเธอก็พูดโดยไม่ลังเล่แม่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะเลือกเหลอสีม่วงรองเท้าก็ไม่ได้พังเลวร้ายนักหรอกคะ่ะหนูเดา ว, ว่าหนูใส่ต่อไปได้เป็นเดือนโอ้งั้นก็ดีจ้ะแต่ลูกต้องสัญญากับแม่นะ กว่าจะผ่านไปเดือนหนึ่งลูกจะไม่ร้องขอรองเท้าอีกนโรสมอนพยักหน้าและเดินออกจากร้านรองเท้าอย่างดีอกดีใจซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่โงเ่เผลาและไม่นานเท้าของเธอก็เริ่มปวดอยที่ร้านขายยาเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อเธอได้โหลสีม่วงมาครอบรองเมื่อพวกเธอเดินกลับบ้านเธอกอดโหลใบนั้นไว้แน่น แต่การเดินนั้นทุเล็กทุเลอยู่บ้างก้อนหินหาทางที่จะเข้าไปในรองเท้าจนได้โอ้แม่คะหนูเจ็บเท้าลูกเลือกเองจำได้ไหมจ๊ะลูกอยากเอาโหลไปคืนไหมล่ะอะไรนะไม่มีทางหนูยังเดินได้ดีมันก็ไม่ได้ปวดอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะเธอเดินก็เพกต่อไปเมื่อพวกเธอไปถึงบ้านกันเธอถอดรองเท้าออก แล้วก็เห็นว่ามันพังจนไม่เหลือชิ้นดีก็หนูใช้รองเท้าก็ปกติก็ได้ตอนนี้ขอเวลาให้ของสวยๆก่อนโรสแมอนหยิบเอาดอกไม้สวยๆที่พวกเธอซื้อมาใส่ไปในโหลแต่เมื่อเธอเปิดมันกลิ่นเหม็นก็โชยออกมาอีนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิด อ, อะไรขึ้นจะลูกรักแมคะ โหลนี่มีน้ำเหม็นๆอยู่ข้างในอะหนูเจ้าดอกไม้ไปใส่ในน้ำน่ะแล้วทำไมลูกไมีใส่น้าลงไปเลยจ้ะลูกต้องเทน้ำในนั้นทิ้งก่อนสิเธอไปที่อ่างล้างมือและเทของเหลวสีเข้มนั้นออกจากโหลโอ๊มไม่นี่มันก็โหลแก้วธรรมดานี่นาใช่แล้วล่ะหนูน้อย น้ำสีม่วงด้านในต่างหากที่ทำให้โหลดูหน้าหลงไหลคราวนี้โรสมอนน้อยก็ผิดหวังเลยล่ะ อ, อแม่คะหนูจะทำยังไงดีหนูนะ่ะไม่อยากได้โหลแก้วนี้แล้วทำไมล่ะจ๊ะลูกลูกก็ยังใส่ดอกไม้ลงไปได้นะจ๊ะไม่ค่ะหนูอยากได้โหลนั่นก็แค่เพราะมันสีม่วงอะแม่เน่ะบอกลูกแล้วว่าให้ไตรต่ตรองให้ดีก่อน ถ้าลูกคิดให้ดีลูกก็คงจะซื้อรองเท้ามาแทนแล้วล่ะจ้ารองเท้าแม่คะถ้าหนูคืนโหลให้แม่แม่ซื้อรองเท้าใหม่ให้หนูได้ไหมคะขอโทษทีนะจ๊ะลูกรักก็อย่างที่แม่บอกยังไงละ่ะสิ้นเดือนถึงจะได้รองเท้าลูกจะไม่มีมันไปก่อนนะจ๊ะโรซามอนไม่ดีใจเท่าไหร่นะเธอสัญญากับแม่ไปแล้วและเธอก็ไม่ปิดปากบน จนพ่อของเธอมาเซอร์ไพรส์เธอในวันรุ่งขึ้นลูกรักพ่อได้รับเชิญไปงานเต้นรำคืนนี้ที่เมืองใก ล, ใกล้ๆเราจะตที่สนุกกันแน่ใช่ไม่จ้าเด็กๆว้าวงานเต้นรำเย้ยและยามเย็นก็มาถึงทุกคนพร้อมแล้วโรสมอน ไปหารองเท้าของเธอเออตายจริงรองเท้าดีๆคู่เดียวที่ฉันมีก็พังแล้วบางทีพ่ออาจไม่ทันเห็นและให้ฉันไปด้วยก็ได้แต่เมื่อพวกเขากาลังจะออกจากบ้านพ่อของเธอก็สังเกตเห็นรองเท้าโอซามอนลูกใส่อะไรนะรองเท้าพวกนั้นไม่ได้เรื่องอะ้นเลยไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะแต่แตพอคะหนูไม่มีรองเท้าคู่อื่นแล้ว งั้นลูกก็ไปงานเต้นรำโดยใส่รองเท้าพวกนั้นไม่ได้ลูกต้องอยู่บ้านคืนนี้แล้วล่ะโรสมอนผู้น่าสงสารได้ร้องขอให้พ่อพาเธอไปด้วยแต่เขาเป็นผู้ชายที่เข้มงวดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จากไปโดยที่เธอไม่ได้ไปด้วยเออฉันทำอะไรลงไปถ้าฉันฉลาดพอแล้วคิดให้ดีกับสิ่งที่เลือกมากกว่านี้วันต่อมาโรสมอนเศร้าสศกเสียใจอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นจ้โรสมอน์ วันนี้เป็นวันเกิดอลิซแล้วหนูก็ไปงานปาร์ตี้ไม่ได้หนูเลือกอะไรโง่ๆลงไปแต่ท้ายสุดแล้วมันก็เป็นความผิดของหนูเองแม่ดีใจนะจ๊ะที่ลูกสำนึกถึงความผิดของตัวเองได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่แข็งแกร่งที่ลูกทำแบบนั้นนี่ไงจ๊ะรางวัลรับไปเลยแม่ให้โรสแมนเปิดกล่องดูเธอถือมันไว้และในนั้น เธอก็เห็นรองเท้าคู่เล็กน่ารักสำหรับเธอเออแม่คะมันสวยจริงเลยแล้วทำสัญญาที่หนูให้ไว้แหละคะลูกรักลูกให้สัญญาเองแม่ไม่เคยสัญญาอะไรด้วยนี่นารสมมนตัวน้อยได้เรียนรู้บทเรียนครั้งสำคัญคนเรานั้นเมื่อต้องการอะไรบางอย่างอาจแค่เพราะความสวยงาม คนอาจจะเล็งโอดดีใจหรือผิดหวังกับมันอย่างหนักก็ได้จงเลือกให้ดีละ่ะ